มันเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นทุกวันทุกวันนะเช้าเย็นเวลาพระตีระฆังทำบัตรมนะามั้ก็ร้องหหยหวนมางกีมันร้องนะมึงก็ว่ามันเราก็ว่ามันเจ็บปวดมากรนะ้องมันก็ว่าจะขาดใจให้ได้ พอพร ะ, พะตีหามมันก็ร้องห่างพอพระตีถิมันก็ร้องถี่เหมือนก็ว่ามันตกอยู่ในอำนาจของเสียงระฆังจะดูน่าสงสารหรือน่าขำก็แล้วแต่นะแต่ก็อย่าลืมมาถามตัวเราเองด้วยว่า เ, ออเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่า อาจจะไม่ถึงกับร้องหอนแล้วกกอาจจะไม่ใช่เพราะเสียงลราขังแต่เวลามีเสียงต่อว่าดาทอเข้หเหาหูเราเราววยวายกลับไปไหม มีปฏิกิริยาออกไปทันทีไม่ต้องเสียงต่อว่าดาดท้อก็ได้เสียงโทรศัพท์ดังพอ <Okay. S 1> เสียงโทรศัพท์ดังในห้องประชุมในศาลาขณะที่กําลังฟังธรรมอยู่หรือเสียงดังในขณะที่กาลังประชุมอยู่ <Okay. S 1> ก็โพร่งออกไปหรือเปล่า โวยไปทันทีหรือเปล่านะหรืออาจจะไม่ได้โวยไปทันทีแต่ว่าใจมันนะมันบวยไปแล้วนะอาจจะไม่ถึงกับออกมาเป็นเสียงนะแต่ว่ามันโวยขึ้นมาในใจนั่นก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างจักที่เจ้าดิกมันร้องโหยหวนคือมันทําตัวกับว่าอยู่ในอำนาจของ เสียงเหล่านี้คนเราก็เหมือนกันนะสามารถจะตกยินอนนาของเสียงต่างๆพอได้ยินปุ๊บนี่มันก็โวยปับ๊บด่าปับ๊บหรือตอบโต้ทันทีไม่ไม่ตอบโต้โดยการพูดนะก็รู้สึกในใจแต่มันก็ไม่ใช่แค่เสียงเท่า น, นนะ อางเช่นบางทียุงกัดเนี่ยยุงกัดพอพอรู้หรือรู้สึกว่ายุงกัดเนี่ยมือมันไปทันทีเลยนะตอบทันทีเลยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าปฏิกิริยาอัตโนมัติก็ไดนะ้แต่ว่ามันก็ เหมือนก็นจะบอกว่าเราเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเสียงดังหรือเสียงริงโทนเสียงมอเตอร์ไซค์หรือว่ายุงมแมลงที่มากัดไต่ตอมอย่างจริงแล้วนี่มันเป็นอัตโนมัติ ใช่แน่หรือเปล่านะากับพวกเจ้าดิก๊กหรือว่าหมานี่เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอัตโนมัติทันทีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอมีเสียงหูดดาว่าการมก็ต้องผู้แล้วเราก็จะ ตอบโต้ตไปทันทีเพราะบางคนเขาก็ไม่ ไ, มได้รู้สึกอะไรอย่างที่เราเริ่มไม่ฉีสาเมื่อวานะก็ยังสงบนิ่งได้หรือบางคนก็ยิ้มได้อย่างโจนจันใดนะที่เคยเล่าไปทำงานเป็นพนักงานโรงแรม แล้ว่าเจ้านายคือแม่บ้านแม่บ้านนีก็ดุดาเป็นประจำดาไปไม่มีเหตุไม่มีผลวันหนึ่งเจ้านายอแม่บ้านก็สั่งให้เขาไปขัดไปเช็ดลูกเอไปเช็ดลูกกรงลูกบิดนะอให้บรัสโซไปให้ไปขัดให้มันเป็นเงา ว, วาวำเลย แล้วาวเลยนักท่อทวก็ทำทำด้วยความตั้งใจใกล้จะเสร็จอยู่แล้วผู้จัดการโรงแรงมาเห็นก็ว่าเขาทันทีว่ า, วามันถูได้ยังไงใช้บรัสโซกับลูปบิดแบบนี้มันราคาแพงมากเลยมันไม่เหมาะกับบรัสโซแม่บางอยู่ ใ, ใกล้ๆแทนที่จะ ปกป้องหรือว่าแทนที่จะทำอะไรสักอย่างกับซ้ําเติมด้วยอีกนะด่าเขาว่างโง่ไม่จนพอได้ยินก็ประนมมือแล้วก็พูดว่าขอโทษครับแล้วก็พูดต่อมาว่าขอบคุณครับถขณะตอนนั้นมาเวลาถูกดายไงก็ยิ้มแล้วก็ยมกยมือขอบคุณครับขอโทษครับ ทำอย่างนี้จงกระทั่งในสุดแม่บ้านนี่ก็ก็เลิกด่าไปเลยนะนี่แสดงว่ามันไม่ใช่ปฏิกิริยาโนบัานนะได้ยินเสียงด่าก็ปุ๊บนี่ตอบโต้ปักดา่าโวยวายหรือว่า แม้จะโกรธเคืองขึ้นมาในใจที่มันไม่เป็นอัตโนมัติก็เพราะว่าพอเสียงกระทบหูเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามันจะกระตุ้นให้ให้เราพูดออกไปทันทีหรือไม่ใช่ว่าพอเสียงกระทบหูแล้วมันทาให้ทุกเกิดความไม่พอใจโกรธแล้วก็ทําให้ต้องโวยวายออกไปทันที มันไม่ได้เป็นอัตโนมัติอย่างนั้นจำนองเด็กกันเวลายุงกัดเนี่ยไม่ใช่พอรู้สึกเจ็บแล้วะมือมันจะตอบทันทีนะมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติอย่างนั้นหรือแม้แต่เวลาตีตะปูเนี่ย เอาคอนตอกตะปูเกิดคอนเนี่ยมันเกิดตอกผ้านเนี่ยคอนไปถูกนิ้วเข้าธรรมดาคนเราก็ต้องร้องโอยดูมนันเป็นอัตโนมัตินะพอคอนอถูกนิ้วก็ร้องทันทีเหมือนกับ ไอ้ดิกเนี่ยพอมันได้เสียงะระฆังปุ๊บมันร้องทันทีมันไม่ใช่สัตว์เป็นยังไงไม่รู้แต่คนมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวนะมันไม่ไปอัตโนมัติอย่างนั้นพวก น, น, นี้เพราะว่าจับพุทธาท่านเคยนะท่านเคยลองว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าตีตะปูผิดเนี่ยตอกตะปูผิดมาถูกนิ้วเนี่ยจะไม่ลองได้หรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ลองเดียวนะจะไม่ทำหน้าบึ้งได้หรือเปล่าท่านก็ลองฝึกว่าเออถ้ามันเกิดตอกตะปูผ้าไปถูกนิ้วจะยิ้มนจะยิ้มยิ้มทุกครั้งนะที่ตอกตะปูผ้าไปถูกมือถูกนิ้วท่านก็ทําได้นะท่านก็ทําได้ไดแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อตโนมัติมันเป็นเรื่องที่ฝึกได้ ถ้าอตโนมัติเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดแต่ว่ามันเป็นเรื่องการฝึกด้วยที่จริงเป็นเรื่องการกล่อมกล้าด้วยนะคำว่าเสียงโอยเนี่ยนะคนไทยเนี่ยพอเจออะไรมาทิ่มแทงหรือว่าค้อนอตีจากค้อนต่อตะปูผิดไปโดนนิ้วก็ร้องโอ้ย แต่ว่าคนประเทศอื่นเขาไม่ไร้องโอยนะประเทศจีนคนจีนคนญี่ปุ่นคนฝรั่งนี่เขาร้องอีกแบบหนึ่งแปลว่าอะไรเราว่าไอ้แม้กระทั่งเสียงร้องเสียงอุทานเนี่ยซึ่งเราเคือ่อนเปตโนมัติมันก็เกิดจากการหลอ่ลอห ล, ลอมกล่อมเก่าเหมือนกันนะไม่งั้นมันก็ต้องร้องเสียงเดียวกันทั่วโลกนะ แต่ว่าคนที่ต่างชาติต่างภาษาก็ร้องโอ้ยร้องอุทานด้วยความเจ็บปวดไม่เหมือนกันนี่นมันมีเรื่องของของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องมากทีเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอันตโนมัติไม่เวลาเราทุกข์เนี่ยนะ อย่าเพิ่งไปโทษสิ่งอื่นนะเพราะว่าตัวการมันก็อาจจะอยู่ในใจของเราด้วยไม่ใช่ว่าพอมันกระทบนะกับกายไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปกระทบตาเสียงกระทบหูแล้วนี่มันจะทุกไปมันจะทุกทันทีไม่ใช่มันมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากการกระทบกันหรือหลังจากที่เกิดผัดสะหรือสัมผัส กว่าจะกลายเป็นความทุกข์แล้วจากความทุกข์มันทำให้เกิดการตอบโต้ด้วยคำพูดก็ตามหรือด้วยอาการทางกายก็ตามเช่นดา่าโวยวายตีโพตีภายหรือว่าเอามือบี้มือตบเคยเพาคนไปเดินจงกรมที่แถวยุคพุทธ ศูมชุมพรเดินยจงกรมเช้าเดินจงกรมเย็นก็เดินไปตามทางบ้างถนนบ้างสวนบ้างเดินผ่านอดทนเป็นทางโผลบ้างทางลาดยางบ้างหินคลุกบ้างบางทีก็เป็นทางที่เป็นทรายเป็นทางดินนะนะ มีวันหนึ่งก็ฝนตกฝนตกแต่เช้าเลยมดมันก็ออกมาเพ่นผ่านตามทางแล้วคนที่เดินหลังจาเดินไปสักสามสี่วันเดินไปก็มดมันก็ตายตามขาก็มีหลายคนก็ทนไม่ไหวก็มืดปัดนะบางคนก็กระทึบเท้าเพื่อให้ สลัดเพื่อสารมดออกไปพอเดินจบก็มาคุยกันก็ถามว่ารู้สึกยังไงว่าเดินลำบากมากยุงมดเยอะทนไม่ไหวต้องตกมาต้องปัดก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงปัดเขาบอกเพราะมดกัด กปเลยถามไปว่ามัน เ, เขายังตอบไม่ถูกนะทาไมาถึงปัดว่าต่อเพราะมดกัดมันไม่ใช่นะบางคนโดนมอกัดเขาไม่เหม็นปัดเลยลองพิจารณาดูใหม่เลยทำไมถึงปัดก่อนจะปัดนี่มันต้องมีความอยากก่อนใช่ไหมมันต้องอยากปัดก่อน ไม่ใช่มันปัดเจอตนุมันไม่ต้องอยากปัดทํำไมจึงอยากปัดนะก็เพราะไม่พอใจอยากปัดมดเพราะไม่พอใจมดนะพวกเราไม่ว่าว่าจ ะ, จะความอยากจะเกิดขึ้นง่ายๆถ้าเราชอบสิ่งใดเนี่ยมีใครมามารูปมาคำเราเราชอบเออมันนิ่มนะอย่างเด็กเนี่ยนะ พอแมไ่ไปรูปเด็กเนี่ยเด็กปัดว่าเด็กก็ไม่ปัดนะเราไปรูปแมวแมวมันอยากจะหนีมันก็ไม่หนีมันชอบนะนั่นคือคำว่าไออยากปัดเนี่ยนะมันต้องเกิดเพราะไม่ชอบนะไม่ชอบมดนะทำไมถึงไม่ชอบมดนะเพราะมันเจ็บมดกัดแล้วเจ็บ มพราะฉนันถึงได้ว่าก่อนที่ตอนที่มดกัดเนี่ยมไม่ใช่ว่ามันจะปัดทันทีนะมันจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นในใจเราอีกหลายอย่างหรือพูดคำคือมันมีเหตุปัจจัยในทางจิตเนี่ยอยู่เหตุปัจจัยภายในเนี่ยอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นมันมีความอยากความอยากนี่ก็เป็นเรื่องของใจนะอยากปัดนะที่อยากปัดก็เพราะไม่ชอบ เกิดความโกรธนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตเหมือนกันนะะที่ไม่ชอบหรือโกรธเพราะอะไรเพราะมันเจ็บมันคันอันนี้ก็เป็นเรื่องของกายนะแต่ว่าีจริงแล้วเนี่ยมาดูอีกทีนะเวลาเจ็บเนี่ยนะมันเจ็บที่กายเนี่ยทําไมใจถึงโกรธนะ หรือเกิดความกลัวขึ้นมาในใจก็เพราะมันมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมดกัดขามดกัดแขนแต่ทำไมถึงทุกข์ใจในเมื่อมันก็น่าแค่ปวดกายหรือทุกข์กายเฉยๆเท่านั้นทาไมทุกข์ใจเพราะไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมามันมีความสวขกูดเจ็บนะ พอปวดแขนปวดขาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เท่านั้นนะมันมีความรู้สึกว่ากูปวดกูเจ็บไอ้กูปวดกูเจ็บนี่มาจากไหนนะก็จากการปรุงแต่งในใจมันปรุงขึ้นมาตัวกูไม่ไม่มีจริงนะแต่มันปรุงขึ้นมาว่ามีกูแล้วกูมันก็เลยเป็นกูเจ็บกูปวดตรงนี้นะมันไม่ได้ เกิดขึ้นในตโนมัตนะมันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีสติพอเรามีสติพูดมันปรุงตัวกูขึ้นมาเลยพอมีตัวกูขึ้นมาก็กูเจ็บกูปวดก็กูเจ็บกูปวดเนี่อ่าละใจมันทุกข์แล้วพอใจทุกข์ก็โกรธเลยโกรธไม่ชอบพอไม่ชอบอะไรก็อยากจะผักไสก็คืออยากจะปัดออกไปแต่ถามว่าอยากปัดนี่มันจะปัดทันทีไหมมันก็ไม่แน่นะ เหมือนกับเราตอนนี้บางคนอาจจะรู้สึกอยากจะไปห้องน้ำเพราะว่าปวดเป่าหรืออาจจะเพราะว่าอยากจะลุกอยากจะลุกเพราะอะไรเพราะมันเมื่อยนะจริงจรว่าเมื่อ ย, ยคือกูเมื่อยนั่นแหละนะมันไม่ใช่ขาเมื่อยนะมันไม่ใช่ขาปวดไอข่าปวดขามเมื่อย ไ, ไม่เท่าไหร่แต่พอสะกกูปวดกูเมื่อยนี่นะ มันก็ทุกเลยนะอยากลุกอยากลุกไปห้องน้ำหรือว่าอยากลุกไปเรี ย, รยบทแต่ทำไมถึงไม่ลุกก็เพรารู้ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะลุกได้ต้องสวดจบบญญรรยายเสร็จถึงลุกเดินจงกรมเป็นกันเดินกลมนี่เราก็บอกแล้วว่า เ, เดินอย่างสารวมแต่ทำไมบางคนเนี่ยถึงเอามือปัด หรือว่าเบี่ยงเท้ากระทืบเท้าความอย่ากยัไม่พอนะมันต้องลืมตัวด้วยลืมนะพอลืมตัวมันก็เลยปัดเลยก็เหมือนกับถ้าเกิดเราเนะมือม่อยแขนเอาเมื่อยขาอยากจะลุก ถ้ามีสติเ้าก็รู้ว่ามันยังลูกไม่ได้ตอนนี้นแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่ก็ลืมตัวรีบ ล, ลุกเลยคือพอไม่มีสติมันก็ทำให้ลืมตัวแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารู้ว่ามันยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่สิ่งที่ควรทา เนอย่าได้ว่าเนี่ยพอมดกัดเนี่ยน ะ, นะอันนี้เกิดผัสสะขึ้นมาแล้วเกิดสัมผัสขึ้นมามดกัดแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเวทนาคือความโปวดแต่ความโปวดนี่มันไม่ทําให้เราปัดทันทีมันไม่ทําให้เราโวยวายไปทันทีหรือมันไม่ทําให้เราร้องออกไปทันทีนะมันมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในใจ ก่อนที่จะกลายเป็นการตอบโต้ด้วยคำพูดหรือว่าการกรนะทํานนั่นก็คือความการปรุงแต่งว่ากูปวดนะกูัปวดแล้วก็เลยโกรธไม่ชอบเอาเกิดไม่ชอบก็เลยอยากจะปัดอยากจะปัดแล้วแล้วก็ลืมตัวด้วยนะก็เลยปัดทันทีเลยนะ อันนี้เราคือกระบวนการก่อทุกข์นะที่เกิดขึ้นในใจจึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องอัตโนมัติถ้าอัตโนมัติพบ ก, ก็คือว่าพอหูได้ยินเสียงพอกายสัมผัส ร, รับรู้นี่มันจัดการทันทีเลยตอบโต้ทันทีเป็นอัตโนมัติหม า, า จ, จะเป็นอย่างนั้ น, นคือพอเสียงะระฆังกระทบหูนี่มันวยนทีเลย มันหอนทันทีก็มรู้เป็นอย่างนั้นรนะหว่างนัแต่คนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่รู้ทันนะมันก็มีอาการไม่ต่างจากหมานะคือว่าเล่นเสียงปุ๊บก็ดับปั๊บยุงกัดปุ๊บก็ตกปับ๊บนะมันอัตโนมัติทันทีแต่ก็อย่างที่พูดอย่างนี้คือมันไม่อัตโนมัติหรอกมันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรา ก่อนที่จะลงมือออกไปความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์เนี่ยในใจนมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีผัสสะนะอันนี้เราพูดถึงความทุกข์ใจนะความทุกข์กายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความทุกข์กายก็ทันทีอยู่แล้วพอยุงมันเอาปากเอาเข็มมาปากนี่แล้วก็เจ็บนะอันนี้คือว่าทุกข์กายแต่ว่าความทุกข์ใจนี่อีกมันยังมีกระบวนการเกิดขึ้น เรื่องคำตอว่าด่าทอเนี่ยนะมันกระทบหูเราเสียงกระทบหูเนี่ยนะก่อนที่จะไม่พอใจได้เนี่ยก่อนที่เกิดทุกขเวทนาทางใจได้เนี่ยมันก็ต้องเห็นว่าต้องให้ค่ากับคำหรือเสียงที่ได้ยินนะว่าอย่างนี้ไม่ดีคำดูด่าว่ากล่าวนี้ไม่ดี แต่ถ้ามองว่าแต่ถ้าในใจมองว่าคำดูด่าว่ากก่าวก็ดีนะมันช่วยมันช่วยขูดกิเลสนะมันช่วยลดอัตตายอย่างแม่ชีสาหรืออย่างโจนเนี่ยโจนจันใดเนี่ยเขาบอกว่าตอนหลังเขาถูกเรียก เ, ยเจ้านายก็เรียกไปถามมาทำไมเวลาฉันด่าเธอถือถึงพนมมือไหว้แล้วก็บอกขอโทษ ตัวก็บอกว่าก็เราก็บอกขอบคุณด้วยตัวก็บอกว่าก็เพราะว่าเวลาเจ้านายดา่าเวลาแม่บ้านด่านี่ยมันก็ทำให้เขาได้หันกลับมาดูใจแล้วก็ฝึกใจให้ให้มันถูกต้องก็เลยขอบคุณ ตอนที่รู้ว่าบางทีก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็ก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของแม่บ้านแม่บ้านมีความสุขที่จะได้วาด่าได้กล่าวอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเพราะเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันทําให้เขาพอที่ได้ยินเสียงดา่าดุของแม่บ้านก็ไม่ทุกข์อะไรคือให้ค่าในทางบวกว่าเออมันเป็นเครื่องสอนใจให้ค่าในทางบวกว่าเป็นเครื่องฝึกใจหรือ เจ้าของเมืองโบราณนะ่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเล็กคุณเล็กวิลเลี่ยปันเก็บอกเนี่ยวันไหนไม่ถูกตํหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลก็คือมองว่าคำตาหนิเป็นของดีเป็นมงคลพอให้ค่าแบบนี้เนี่ยพอเจอคำตาหนิก็ไม่โกรธการให้ค่าเป็นเรื่องของของใจเรา เ, เป็นเรื่องของมุมมองเปเรื่องทัศนคตินั้นถ้าเราเคยได้ยิน คำดุด่าว่ากล่าวหรือเสียงด่าเนี่ยก็โกรธเนี่ยแสดงว่าใจเราก็ไปมีส่วนร่วมไปไปผสมรวมตั ว, วคือไปมองว่ามันไม่ดีคำพูดนี้ไม่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแม่บ้านท่านนี้ไม่สมควรเพราะว่ามันไม่ผิดฉันไม่ผิดมาพูดอย่างนี้ได้ไงแต่ถ้ามองว่าเป็นธรรมดาของเขาเออเฉยเลยนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องมุมมองนะมองว่าไม่ดีไม่ดีหรือมองว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องเอามั น, นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่ที่หมอมันไม่สมควรทํหมองว่าเออเป็นธรรมดาของเขาใจก็เป็นปกติแล้วลำพังแค่ได้ยินเสียงด่ามันไม่ใช่ไาจะทุกทันทีนะมันอยู่ที่ใจเราด้วยว่าใจเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเสียงด่า แล้วท่านไปพอนั้นมันอยู่ที่ว่าเราไปยึดติดถือมั่นกับกับเสียงหรือคําพูดนัหรือเปล่าเช่นถ้าเก็บเอามาคิดอยู่บ่อยๆมันก็ทุกข์เลยถ้าได้ยินเสียงแล้วก็วางนะหรือว่าถ้ากว่าได้ยินแล้วเนี่ยมันไม่เอาตัวตวนเข้าไปรับเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์เช่นพอได้ยินเสียงด่าก็รู้สึกขึ้นมาถือว่าเขาด่า ก, กูเขาด่า ก, กูอันนี้เราเอาตัวตวนไปรับ มันก็ทุกข์เลแต่ถ้าเอาปัญญาออกหน้าเนี่ยเออมันจะคิดอีกแบบหนึ่งว่าที่เขาพูดนี่จริงไหมถูกต้องไหมมีประโยชน์ไหมเนี่ยอันนี้เรอเอาอปัญญาออกหน้าแต่คนที่คนเสียม่ได้ปัญญาออกหน้าเราก็เอาตัวตนออกรับเขาด่ากูเขาว่ากูเขาว่าคนที่กูรักเขาว่าพ่อของกูเ้าว่าครูครูของกู คือมันมีการปรุงตัวกูของกูขึ้นมาหรือว่าเอาตัวกูนะออกรับเนี่ยมันก็เลยทุกระันจะเห็นได้ว่าความทุกข์ใจเนะี่ยมันก็เกิดจากใจเราด้วยมันไม่ใช่เกิดจากคนอื่นคนอื่นจะเป็นแค่ส่วนตัวประกอบไม่าจะเป็นเสียงด่าของเขาหรือว่าดินฟ้าอากาศพฤติกรรมของเขาหรือยุงมแมลงที่มามากัด อันนั้นปัจจัยภายนอกมันยังไม่ทําให้เราทุกทันทีนะมันทุกใจนะจนกว่าจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างเกิดขึ้นในใจเราเช่นเรารู้สึกอย่างไรกับเสียงนั้นเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแล้วเรามีความรู้ตัวไหมมันมีเอาตัวกูเข้าไปออกรับหรือเอาปัญญาถ้าไม่ถ้าไม่มีสติมันเอาตัวกูออกรับทันที แต่ถ้ามีส ต, ติเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาเข้าไปออกรับนะผู้บรรลุงเหมเพื่อชื่อเห็นว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกนะมันเกิดขึ้นจากใจที่วางไว้ไม่ถูกนะหรือว่าการวางใจที่ที่ไม่ฉลาดหรือผู้ใหญ่ก็คือว่ามัน เป็นเพราะเราเอาใจเข้าไปผสมลงด้วยใจของเรามาไปร่วมมือไปผสมรงด้วยจึงทุกถ้าใจไม่ไปผสมรงก็ไม่ทุกไม่ต้องอไปโทษนะคนอื่นอย่างเดียวน้องกลับมาดูใจเราด้วยนะคนส่วนใหญ่ก็ไปโทษสิ่งภายนอกแล้วก็คิดไปจัดการแก้ไขสิ่งภายนอกถ้าแก้ไขไม่ได้ก็อยากยะกำจัดซะเลยให้ออกไปให้จัดให้หมดไป เจอยุงก็ตบบี้แต่ว่าถ้ า, าว่าเราหันมาดูใจมันจะเห็นโอ้มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นในใจเรามากมายเลยนะมันเป็นที่ใจเราเนี่ยอย่างรถติดเนี่ยนะแล้วหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยนะคนก็โทษไปเพราะรถติดนะจริงไม่ใช่หรอกไอ้รถบางครั้งรถติดแล้วไม่หงุดหงิดอะไรเลย พนะอตอนนั้นเรากำลังคุยสนุกสนานกับเพื่อนกําลังคุยกันออกรถออกชาตินะสนุกสนานกันรถติดยังไงก็เฉยหรือกําลังคุยกับลูกนะเพลินรถติดห้านาทีสี่นาทีเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ทําไมถึงงุญหงิดนะในบางครั้งที่รถติดนะเพราะว่าใจมันเพราะว่าใจมันคิดไปแล้วนะเราะว่ารถติดแบบนี้เดี๋ยวก็ไปทํางานสาย ติดนัดเพื่อนตกเครื่องบินหรือผู้อีกอย่างก็คือว่าหงุดหงิดเพราะอยากจะไปให้ถึงไวๆมันต้องมีความอยากให้ถึงไวๆก่อนมันถึงจะหงุดหงิดเพราะรถติดแล้วเมื่อรถติดมันต้องกลัวว่าถ้ามันต้องมีความกลัวว่ากลัวจะตกเครื่องบินกลัวจะติดนัดกลัวจะไปทํางานสายเนี่ยมันถึงจะหงุดหงิดเมื่อรถติดนะ ไอ้ความอยากให้ถึงไวๆความกลัวว่าจะไปจะตกเครื่องบินจะผิดนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในใจเราไอ้ตัวนี้แหละคือตัวการที่ทำให้หงุดหงิดนะไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะไฟไฟแดงนี่มันมันไม่ยอมเปลี่ยนเปนไฟเขียวสักทนะีคนไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยสังเกตนะว่าไอ้ที่เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าความอยากจะให้ถึงไวๆ อยาถึงที่หมายทันเวลาหรือเพราะความกลัวว่าจะผิดนัดกลัวจะตกเครื่องบินตรงนี้แหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์ไม่ใช่เพราะรถติดถ้าเห็นนะว่าเนี่ยคือสาเหตุนะมันก็จะเราก็จะเห็นความสมองการมาจัดการที่ใจเราก็คือทำให้ใจมันไม่ไปคิดถึงอนาคต ไม่ไปจดจ่ออยู่กับอนาคตว่าจะไปถึงที่ทํางานชาจะตกเครื่องบินอันนี้มันเป็นการสร้างภาพเป็นการมันโนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยแต่พอสร้างภาพไปแล้วไปตรวจ่อบอยู่กับภาพนั้นก็เลยทุกเนี่เกิดความกลัวแล้วก็เลยยิ่งลาคาญยิ่งหงุดหงิดที่รถไม่ยอมขยับสักที ไปแก้ไปจัดการให้ลถมันหายติดมันยากนะแต่ว่าการมาจัดการที่ใจเราเนี่ยนะไม่ให้กลัวไม่ให้วิตกนะมันทําได้ด้วยการที่เอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนะพอใจมาอยู่กับปัจจุบันเช่นเออมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับความรู้สึกตัวมาอยู่กับมาสนทนากับลูกในรถหรือ เพื่อนที่เดินทางด้วยกันหรือว่าฟังเทศธรรมะฟังเพลงเออมันก็มันก็หยุดปรุงแต่งถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดความกลัวว่าจะตกเครื่องบินความกลัวว่าจะไปทา ง, งานสายก็มันก็หายไปนี่นเราต้องสร้างทิศสายใหม่นะคือกลับมาดูกลับมากลับมาแก้ที่ใจเรากลับมาดูที่ใจเราเวลามีความทุกเวลามีความโกรธ เวลามีความหงุดหงิดนะอย่าไปอย่าไปเพ่งโทษที่สิ่งภายนอกนะอย่างเดียวนะกลับมาดูใจเข้าใจเราคือตัวการใหญ่อันนี้ก็เร่มถึงเวลามีความปวดมีทุกขเวทนาทางกายด้วยเช่นปวดคันเมื่อยนะ มันไม่ทำให้ทุกข์ใจหรอกนะถ้าเราวางใจได้ถูกนะต้องสร้างนิสัยที่กลับมาดูใจกลับมาที่แก้ที่ใจของเราด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเองการที่การที่จะบ่นโวยวายตีโพตีพายโทษ น, นั้นโทษ น, นิมก็จะน้อยลงนะเขาก็จะใจเย็นขึ้น แล้วก็เป็นอิสระจากสิ่งภายนอกนะไม่ตกอยู่ในอำนาจหรือการบงการของสิ่งต่างๆอย่างม้าเนี่ยดิ้งนี่ยมันก็อยู่ในอำนาของเสียงะระฆังไปแล้วแต่คนเรานี่มันสามารถจะทําได้ดีกว่ากว่าหมาเหล่านี้นะเราสามารถที่จะทำให้จิตเป็นอิสระจากสิ่งบงการ ไม่อยู่ในวงการของสิ่งต่างๆได้ถ้ายิ่งเราไม่ชอบอะไรยอมเราไม่ชอบใครเนี่ยเรายิ่งต้องรักษาใจของเราให้เป็นสละจากสิ่งนั้นถ้าเราคนเราเนี่ยยิ่งโกรธยิ่งเกลียดอะไรก็ตามเนี่ยนะเรายิ่งตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นยิ่งโกรธยิ่งเกลียดใครเราก็ยิ่งตกอยู่ในอำนาจของคนคนนั้น เขาพูดอะไรแปลวิกโกรธนะไม่ชอบเสียงะระฆังไม่ชอบเสียงโทรศัพท์พอเสียงโทรศัพท์ดังทีไรถึงะระฆังทีไรก็โมโหทุกทนะียิ่งโกรธยิ่งเกียดสิ่งใดเราก็ยิ่งเกียร์ในอำนาจของสิ่งนั้นนะเพราะว่าใจมันไปยึดติดถือมั่นนั่นะถ้าเราอยากเป็นอิสระไม่อ ย, อยากอยู่ในอานาจอยู่ในวงการของ ของสิ่งใดก็ตามของอะไรก็ตามเนี่ต้องนะต้องทําให้ใจเป็นอิสระจากสิ่งนั้นอต้องให้ทําให้ใจเราไม่ไม่เป็นทุกข์นะกับกับสิ่งนั้นหรืออย่างน้อก็ทําให้ใจนี้ไม่กลัวไม่เปลี่ยนมันก็จะจิตก็จะเป็นอิสระเนะสียงจะดังยังไงเสีก็เฉยนะอันนี้เราเป็นอิสระแล้ว ถ้าโกรธเกลียดมาเมื่อไหรน่นี่โอ้ยก็จะกระสับกระสายทุร น, ท, รนทุรายทันทีเลยไ อ, อ้กาอิสระที่ว่ามันเกิดขึ้นในจากใจเรานะแก่การที่มาจากการจิตใจเราไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะวิธีอื่นอาจารย์นิพนธ์เนีนะกราบพรบ